บททีเจ็ดสิบแปดเซเด็กออกคำคุณศัพท์หนึ่ง adjective b ผู้หญิงชราหนึ่งคน maluna v i r ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนรถใหม่หนึ่งคัน <Nova Auto. S 1> รถความเร็วสูงหนึ่งคัน <ida> รถนั่งสบายหนึ่งคัน ชุดเบรสสีฟ้าหนึ่งชุดชุดเบรสสีแดงหนึ่งชุดชุดเบรสสีเขียวหนึ่งชุดกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ b r u n ส s a ก o กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบลังกาสาก o คนใจดีหลายคน s ิ m p a t ติย์หอไคนสุภาพหลายคน g e n t i l ไลหอไม คนน่าสนใจหลายคนอินเทอร์สไซดฮอมอยเด็กน่ารักอามินได้อินฟานอยเด็กดื้ออิม เ, นนอเอพอร์ติเนนต์ไอินฟานอยเด็กดีอาฟาบไลอินฟานอย